รธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่15โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่12เมษายน2560มีชื่อเรื่องว่าอย่าลืมถิ่มตนและอย่าลืมตายาลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลงตาล่ะจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสองเมษายนพุทธศักราช2560บพระในวัดของเรา 37. สาสเจดสมณสี่นาคสี่แต่พระลงฉันวันนี้ย7สบเจ็งดฉัน1ิงดฉันสิบสี่รูปนะพระ น, นสิว่าบางตา วันนี้เป็นวันที่สิบสองวันพรุ่งนี้เป็นวันที่สิบสามเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็วันที่สิบสี่เป็นวันขอบรอบคุณยายนะลูกหลานทางในครัวคุณยายมาตายอยู่ที่นี่ที่เป็นโยมแม่ของหลวงพ่อ แล้วก็เดือนธันวาคุณตาคุณตาก็จากไปอีกเป็นอันว่าคุณยายในตายอากาศร้อนคุณตาตายอากาศเย็นทั้งสองตายยายอายุอายุยายในเห้าอายุตา96หเนี่ยแหละ เป็นวันครอบรอบช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลเมื่อวานก็มีท่านนายอำเภอท่านผู้กำกับและก็หัวหน้าส่วนราชการมีพี่น้องประชาชนผู้ใหญ่บ้านกำนันในท้องถิน่นเข้ามาทำพิธีมุดน้ำดำหัวตามประเพณีสงกรานเมื่อวานนีก็รู้สึกว่าพี่น้องมากแต่หลวงพ่อก็ให้โอววาด บอกกล่าวอย่าสนุกสนานเกินไปนะลูกหลานจะทำอะไรจะไปอะไรให้คิดถึงอนาคตของตนเองไม่ใช่ว่าสนุกสนานวันนี้วันเดียวแล้วก็ทุกผลภาพตลอดชีวิตมันไม่คุ้มค่ากันนะต้องคิดบวกลบคูณหารนะบวกลบคูณหารให้ดี เพราะว่าขาหักแขนหักหัวนอกพื้นเราเห็นมากโตมากเพราะในท่วงเทศกาลปีใหม่ปีใหม่สากลปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานดูดูตัวเองเนอะอันนี้หลวงพ่อก็ได้บอกกล่าวย้ำเตือนทุกปีเพื่อไม่ให้ลูกหลานหลงละเลิงจนเกินไปแต่ตามไม่จริง ทางรัฐบาลเขาก็เป็นห่วงนะทางรัฐบาลก็เป็นห่วงที่ออกกฎหมายไม่ให้นั่งรถกระบะทางท้ายเมื่อเมื่อวันที่5ที่หกเมษาที่ผ่านมาก็มีเสียงต่อต้านเข้ามาสนันวันไหวไปหมดหลวงพ่ออยู่ในป่าก็ได้ยินนะได้ยินได้ยินเสียงต่อต้านเพราะวันนี้ท่าน ผู้กำกับในท่านก็พูดให้ฟังพอมามีกฎหมายออกมาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้เงียบนะไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรวันนั้นอนะ่ะแต่หลวงพ่อก็นึกในใจว่าเป็นไปได้หรือกฎหมายออกมาขนาะดพระในวัดของหลวงพ่อนะไปบินทบาตก็นั่งท้ายกระบะเขามาส่งบินทบาททั้งหมดมีอยู่สสายการบินนะ วัดหลวงพ่อมีอยู่สี่สายการบินบินอะไรบินธบาทนะเวลากลับมาก็พากระนังรถพาทั้ง4ี5สิ้ารูปนะชาวบ้าน ก, ก็เอารถมาส่งเวลาไปก็เดินไปเวลาขากลับมาก็นำรถมานะบางทีก็ได้นั่งรถกระบะท้าย 5-6-7 องค์บ้าง10องค์บ้างถ้ารถมาหลายคันก็สเสียกัน รถ น, น้อยก่อนนั่นก็ น, นั่งอย่างนั้นละก็คิดว่าระยะใกล้นะอันนี้ก็สรุปแล้วก็คือรถกระบะเนี่ยเหมือนกับเกวียนสมัยสมัยโบราณลักษณะอย่างนั้นแหละแต่ตามไม่จริงทางรัฐบาลก็เป็นห่วงมันก็ตายจริงๆนั่นแหละแต่ตามไม่จริงก่อนที่จะตายนะเพราะอะไรนะแต่โดยมากสาเหตุก็เพราะดื่ม อย่างที่หลวงพ่อพูดเมื่อวานเะน่ยพราะเมาพราเม า, เมาดื่มสุราเนะ่ยถ้าถ้าจะว่าไปแล้วรัฐบาลเนี่ยถ้าออกกฎหมายจุดนี้หลวงพ่อว่าเก่าไม่ถูกที่คันเท่าไหร่นะในความรู้สึกของหลวงพ่อนะเก่าไม่ถูกที่คันเท่าไหร่ถ้าถูกที่คันนะควรควรจะงดจําหน่ายของเมินเมาอะไรก็ตามที่เป็นของเมินเมาทําให้เผลอสตินะ แห่งดไว้ก่อนสมมุติว่าร้านขายเหล้าเอาเอเธ อ, เองดไว้ซะก่อนนะร้านขายเหล้าค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่ทางรัฐบาลจะชดใช้ให้ค่ากําไรค่าพนักงานในวันนั้นหกเจ็วันจ่ายไปร้อยสอ0ร้อยล้านเท่าไหร่จ่ายให้ร้านเหล้าซะเพื่อชื่อชีวิตของพี่น้องประชาชน หลวงพ่อว่ามันก็น่าจะเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าว่าคนไม่กินเหล้านะมันก็คงจะไม่ขับรถถ้าเขาสต็อกไว้ก่อนถ้าสต๊อกไว้ก่อนกใครเป็นคนสต็อกพอดื่มเข้าไปมีปัญหาเป่าจะถุงยางเลก็เอาไปขังไว้ก่อนตั้งโรงใหญ่ๆเอาไว้มุงเอาไว้เหมือนกับเป็นโกดังเลย เอาพวกขี้เหล้าทั้งหลายไปขังไปก่อนใอ้มันสิ้นสงการให้ก่อนค่อยปล่อยออกมาหลวงพ่อว่านะห้ามแล้วไม่ฟังเนี่ยว่าถ้าไปกินเหล้าอยู่ตามลำพังก็ไม่ว่ากัน mm hmm. นะกินแล้วไปขับรถไปชนไปเฉียวคนอื่นไอคนดีๆเนะี่ยอันตรายหนะลวงพ่อว่านะถ้ารัฐบาลจะจ่ายชดใช้ค่า ค่ารายได้ได้รายได้รายรายได้ร า, า, า, า, ายจ่ายของเขาเนี่ยชื่อชีวิตพี่น้องประชาชนเอาไว้ทดลองดน่ยสิอันนี้ก็เป็นการทดลองดูนะถ้ามันยังไม่ปีเอาวิ ธ, ธีการอื่นอีกนะแต่นี่เราจะทำอะไรถ้าว่าทำปลายมือนึหลวงพ่อว่านในความคิดของหลวงพ่อพระป่าพรนะดวง มันเก่าในที่ไม่คาดมันไม่หายคันนะยแหมันเก่าอยู่ที่ถูกที่คันมันจึงจะค่อยหายคันไดนะ้นี่แหละอั น, นี้แก่หลวงพ่ออยู่ในปา่าหลงพงไพหลวงพ่อเขาไม่ใช่ไม่คิดกับพี่น้องลูกหลานนะปีหนึ่งตายไปแล้หลายร้อยนะโอ้ทรัพยากรของชาติแต่ตายแล้วก็ยังทุมตายแล้วก็จบไปล่ะแต่คงพิการเลยจี๋เลยนี่พวกขาหักแขนหักพวกหัวอนอกพื้นเนี่ยเป็นภาระของ ที่น้องประชาชนมากมายพอสมควรจุดนี้เลยเป็นจุดที่น่าคิดคนดีๆห า, าทําการทํางานเลี้ยงคนพิการเนี่ย เ, เป็นคนพิการของประเทศชาตินะอันนี้ก็น่าคิดแต่ถึงยังไงก็ตามนะที่พวกเราพวกท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายนะได้ยินเสียงผองหลวงพ่อเนี่ยแต่หลวงพ่อก็ไม่ไ ด, ด้พูดไปสุดตรงข้างใดข้างหนึ่งนะเป็นเป็นให้แนวเป็นแนวความคิด สรุปแล้วก็ให้ดูตนเองนั่นแหละสำคัญหลวงพ่อก็ดูหลวงพ่อเหมือนกันนะทวาเทศการอย่างนี้หลวงพ่อจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกถ้าหากว่าไม่จำเป็นจริงถ้าจำเป็นจริงก็เออออกออกไปจำเป็นจริงถ้าไม่จำเป็นจริงหลวงพ่อจะไม่ออกถ้าออกไปแล้วเนะี่ยถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นหลวงพ่ออินตายอยู่ข้างถนนรถขี่ รถเมาชนหลวงพ่ออินเนี่ยคงจะดังไปพอสมควรนะพรแล้วหลวงพ่อก็ไม่อยากจะให้มันดังเนี่ยจุดนั้นอย่างนั้นเหมือนกันหลวงพ่อก็ต้องระวังไม่จำเป็นก็ไม่ออกไปข้างนอกนี่แหละสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราดูตนเองเหมือนกันนะั่นแหะที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อพูดเนี่ยนะให้แล้ในระวังตนเองสำมรวมกายวาจาของตนเอง้างว่าพวกเราไม่รักษาตนเองไม่รักตนเอง ไม่ดูแลตนเองล่จ ะ, ละจะให้ใครล่ะจะให้ใครรักเราละ่ะยิ่งกว่าตัวของเราขนาดตัวของเราก็ยังปล่อยปาะละเลยยังกินเหล้าดื่มสุราจนขาดสติจนไม่รู้จักว่าเห็นรถมาก่อนคิดว่าเขาจะหยุดเบกิกโบกไปไปเรื่อยผลในสุนดรถเข้ามาชนมาเฉียวพอหายเมาขึ้นมาหายสาดเไม่คิด เป็นยังไงลเลยท่อนลูกหลานว่ายังไงล่ะญาติพี่น้องว่ายังไงล่ะสามีภรรยาว่ายังไงล่ะนี่แหละสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยให้พวกเราท่านทั้งหลายนะการเป็นอยู่ไม่มีใครที่จะรักชีวิตของเรายิ่งกว่าตัวของพวกเราทุกๆ ท, ท่านนะและก็พร้อมกันในเทศกาลปีใหม่ทางรัฐบาลก็เจตนาดีอยากจะให้พี่น้องประชาชนพักผ่อน จากนั้นก็ได้มาเยี่ยมเยียนพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติที่เรารักเคารพนับถือให้มาพบกันได้มาทําธุระเพราะหยุดหลายวันแต่ว่าบางคนเป็นประโยชน์จริงที่เป็นวันหยุดแต่ว่าบางคนก็ทำเวลาที่ เ, เป็นประโยชน์ทําให้เสียหายเพอเพอไปติดคุกติดตารางอีกต่างหาก เพออราะอลายเพราะไปทําความชั่วเพราะมันมีเวลาไนะม่มีเวลาไปทําความชั่ว น, ะนี่แหละเวลาตัวนี้นะมันเป็นสองศนระัทธาญาติโยมลูกหลานนะถ้าทําให้เกิดประโยชน์มันก็เกิดประโยชน์ถ้าทําให้เกิดโทษมันก็เกิดโทษนะแต่ถึงยังไงบัณฑิตนักปราชญ์ปราชญ์ปราชญ์ทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายผู้มีปัญญาที่เป็นปราชญนะ์ก็ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ถ้าหาว่า เป็นภาละชนจะใช้ปัญญาไปในทางที่เป็นโทษนะนี่แหละให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะให้ดูตนเองแลวก็พร้อมกันพวกเรามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีวงศาขนาญาติที่เป็นผู้ใหญ่เราจะทดแทนพระคุณท่านได้อย่างไรแต่บางคนบางทีพ่อแม่พี่ป้าน้าอา ได้สงเสียโรงเรียนหนังสืออย่างเนี้ย เ, เราได้ทดแทนพระคุณงของท่านอะไรมีอะไรบ้างที่เราได้ทดแทนพระคุณของท่านสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องทบทวนอีกเหมือนกันมิใช่ว่าเหมือนกับเลี้ยงหมาหมาก็ยังดีพอเลี้ยงไปแล้วมันยังเห่ารักษาบ้านรักษาเรือนถ้าเลี้ยงคนเลี้ยงพาละชนไม่รู้จักบุญคุณเลยอันนั้นไม่น่าจะถูกนะอันนี้เราต้องคิดนะ แต่ท่านให้ทวงบุญทวงคุณท่านไม่ทวงหรอกท่านเป็นนักปราชญ์ท่านไม่ทวงแต่เราจะเป็นพระพารชนเราเป็นนักปราชญ์ถ้าเราเป็นผู้มีมีคุณธรรมในจิตใจเราก็ จ, จ้จองลํำลึกถึงพระคุณของท่านที่ท่านได้ส่งเสียการศึกษาของเราเราก็ต้องทบคิดถึงออครูบาอาจารย์พ่อแม่ปู่ย่าตา ย, ยายที่ท่านได้ส่งเสียเราเรียนหนังสือจนได้ดิบได้ดีขนาดนี้ ก็พ่อใครเป็นคนส่งเรียนถ้าท่านไม่ส่งเรียนหนังสือมาเราจะได้ดีไหมเราจะเป็นอย่างนี้ไหมอนาคตของเราจะดีขนาดนี้ไหมสิ่งเหล่านี้ให้พวกเราทบทวนเพราะว่าเราเกิดมาจากพ่อจากแม่ไม่มีใครหรอกเกิดขึ้นมาแล้วเดินไปเองไปเรียนหนังสือเองไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายอะไรทั้งหมดหลวงพ่อเกิดมาในอายุ70กว่าปีหลวงพ่อไม่ยังไม่เคยเห็นคนอย่างนั้น มีแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายประคบประงมดูแลแต่พอตัวเองพอเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วไปเรียนหนังสือแล้วก็มีผู้อื่นฝากแล้วก็เรียนหนังสือด้วยปีแข่งตัวเองกับผยองพองตัวว่าข้ามไม่ได้พึ่งพาอาศัยใครไม่ได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่แต่พ่อแม่เลี้ยงดูนั่นแบเบาะมันน่นเราทําไมไม่คิดนะเราคิดแต่รวบยอดอย่างเดียวไม่ได้คิดถึงตน ตีต้นกาเนิดที่เราเกิดมาพ่อแม่ดูแลเรานะขนาดไหนสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าให้ใช้ปัญญานะท่านไม่ได้ให้ใช้ความโง่เง่าเต่าตุนให้ใช้ปัญญาพิจารณาทบทวนอันไหนควรเหมาะถูกต้องเป็นธรรมเราได้กินแรงใครบ้าง เราได้เอารัดเอาเปียบพ่อแม่จุดไหนบ้างเอารัดเอาเปียบพี่น้องวงจติโกโหติกาอะไรบ้างเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องทบทวนเพราะเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาแล้วถูกต้องไหมที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหลวงพ่อคิดว่าหลวงพ่อพูดถูกยังพูดนะถ้าสีไหนก็ตามถ้าพูดไม่ถูกหลวงพ่อจะไม่พูดนะาถ้ามันพูดผิดก็ให้ลูกหลานทวงติงมาได้ หลวงพ่อเองพร้อมที่จะรับฟังลูกหลานศรัทธาญาติโยมทุกๆคนนั่นแหละแต่พร้อมกันก็นอย่าลืมเนะ้อชีวิตของพวกเราเกิดมาทั้งทีชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาได้พบคุณงามความดีให้ประกอบคุณงามความดีถึงจะเฉลียวฉลาดฉเฉลียวฉลา ด, ลาดปาดเปืองขนาดไหนมั่งมีสีสุขขนาดไหนยศถาบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหน ก็ไม่ไม่มีใครที่จะพ้นหนีออกจากพ้นจากความตายไปได้ความตายต้องครอบงําอยู่แต่ว่าตายแล้วศูนก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ละของพุทธศาสนาที่หลวงพ่อได้ศึกษาว่าตายแล้วเกิดนี่แนหะละหลวงพ่อจึงมาแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวให้กับพวกเราให้ได้ฟังได้ศึกษาแต่พวกเราจะเชื่อหรือไม่เชื่อหลวงพ่อก็ไม่ได้รับรองแะรับประกัน หรือว่ายินดียินร้ายกับท่านเหล่านั้นเพียงแต่ว่าเป็นผู้แนะนําให้ฟังอ้างเหตุอ้างเหตุผลให้ฟังตามหลักธรรมคาสอนหรือว่าหลวงพ่อได้ปฏิบัติมาหรือว่าหลวงพ่อได้ฝากฝังชีวิตนไว้ในพระพุทธศาสนานะเป็นเวลาทั้ง60สปีนะลูกหลานนะหลวงพ่อนะฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนาน60สปีโอ้ทําไมหลวงพ่อเจบสปีทําไมจึงฝากไว้นานขนาดนัอ้าว หลวงพ่อบวชตั้งแต่ปี 2,500 นะลูกหลานนับดูสิปี 2,500 เป็นสั ม, มนเนนกลึ่งพุทธการนะครับพุทธการ 5,000 ปีใช่ปี 2,500 นะหลวงพ่อบวชเป็นสัมมนเนนจากนั้นก็บวชมาเป็นสั ม, มนเนนจ็ดแปดปีจากนั้นก็บวชเป็นพระปี08นย์แจากนั้นปี08มาถึงปีหกศูนยเป็นเท่าไหร่นี่แหละหลวงพ่อได้ศึกษา แนวทางปฏิบัติเอแต่หลวงพอ่เอเหลวงพอ่อศึกษามาแน่ถูกไหมไม่ใช่หลวงพ่อเป็นหมาอาจอกหางด้วน เ, เสือตะควบหางขาดไปแล้วก็เลยหางตัวเองขาดก็เลยแนะนําให้ขุดอื่นตัดตัดหางตัวเองตัวเองอย่างนั้นใช่ไหมห <c oughs> ลวงพ่อหัวเราะหนเลยออย่างที่หลวงพ่อได้พูดเนี่ยหลวงพ่อมั่นใจในตัวเองเอจึงได้บอกกล่าวแนะนําสั่งสอน แนะนำพวกเราท่านทั้งหลายอยากจะรู้เหลือก็มีแนวทางมิใช่ว่าพูดเปล่าๆแบบไม่มีเหตุไม่มีผลพยายามทาจิตใจให้สงบถ้าจิตใจสงบนิ่งเมื่อไรเมื่อนั้นนะ่ะพวก เ, เราท่านทั้งหลายจะรู้ไม่ต้องถามหลวงพ่อและไม่ต้องถามใครอีกต่างหากเมื่อจิตใจนิ่งสงบแล้วนะ่ะร่างกายกับใจใจกับกายเป็นเห็นได้ชัดเลยความรู้สึกนึกคิดนะ่ะเด่นชัด แต่ร่างกายนี่ก็เห็นเด่นชัดเหมือนกันท่านจึงบอกว่าอันนี้คือวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาของสิท ธ, ธัตถะที่ท่านหนีออกเกลจากเวียงวังไปอยู่ในป่าถึงหปีค้นคว้าศึกษาวิชาตัวนี้นะ่ะวิชาพุทธศาสตรนะวิชาเกิดแก่เจ็บตายเนะี่ยจากนั้นพระ อ, องค์จึงได้วิชาตัวนี้มาจากนั้นพระ อ, องค์ก็สอนวิวธีทำ พระองค์ทมยังไงทีแรกนั่งขัดสมาธิตีหลวงพ่อพูดแล้วพูดอีกขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้านี่อันนี้แหละพระพุทธเจ้าได้ตัดทุรุจากนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่หลวงพ่อได้เข้าไปศึกษาท่านก็ได้ไดทำสมาธินยอย่าพุทธะนะในเมื่อทาสมาธิเข้าไปแล้วเราเราไม่ต้องถามใครละเราจะรู้ได้ด้วยตนเอง พอจิตใจสงบแต่ไม่ใช่เรียนนะจะรู้นะไม่ใช่ประมาณการไม่ใช่เดาไม่ใช่คาดคะเนนะผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ถ้าไม่บติถ้าไม่ปฏิบัติไม่นั่งสมาธิจิตใจยังไม่สงบนะจะรู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องจิต ท, ทําจิตใจให้สงบซะก่อนจะทํายังไงจิตใจให้สงบให้กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรั้วหายใจออกนี่แหละ าถ้ามันไม่ถ้ามันอยากจะรู้ว่ามันออกหรือมันเข้ายัางไงหรือมันอยู่หรือมันไม่อยู่อย่างไรหลวงพ่อก็บอกว่าทดลองดูนะให้นับหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองนับสามนับสี่ถึงรอยอถ้าหนึ่งรอยไม่เผลอนั่นแหละใช้ได้ถ้ามันเผลอๆยังไงมันจะเบลเๆลซะก่อนอพอเบลเสร็จแล้วน่ะหายใจเขาับเป็นเรานับเป็นเลขขีหนึ่งหายใจออกเป็นเลขคู่สอง อสามข้าวคู่สี่สี่สามขี้สี่คู่ห้าขี่หกคู่เจ็ดขี้แปดคู่อผลในสุด <kin> มันยังไม่ถ <died> ึงสิบนะไม่ถ <obviamente> ึงสิบยี่สิบมันจะเบอร์เบอร์พอเบอร์เสร็จแล้วมันจะเลขคู่ขี้แทนไม่ใช่คี่คู่นะนี่แหละถ้าจากนั้นมาตั้งจิตให้ไม่ให้ให้เข้มแข็งขึ้นมาอีก เอาฟันกัดฟันเลยฟันกัดฟันจะกอกําหนดลมจนนับถึงร้อยได้หนึ่งสองนับถึงหลายหลายครั้งเลยทีาจากนั้นกอดจิตใจก็เออเริ่มอยู่เลยเิเห็นเลยทีจากนั้นก็จิตสงบพอจิตสงบเน่งเท่านั้นแหละไม่ต้องถามใครในไหนวิธีการนะวิธีการพิสูจน์เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆกท่านนะนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่ตายแล้วเกิดหรือไม่ตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิด น, นะสมาธินะัจะเป็นเครื่องบ่งบอกสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวัน เ, เริ่มสงกรานนะวันที่12ลูกหลานสรุปแล้วก็คืออย่าลุ่มหลงมัวเมาจนเกินไปประกอบคุณงามความดีสั่งสมบุญกุศล เ, เข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนะ้ลูกหลานนะ้ให้รู้จกักมาหาพ่อหาแม่รู้จักประคุณของพ่อของแม่อันไหนที่เราจะให้ทดแทนประคุณของพ่อของแม่เราเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ เป็นผู้ใหญ่แล้วเอาจะเอาอะไรหรือจะเอาโมโหโกธาเอาสิ่งที่มันไม่ดีมาให้พอ่อให้แม่อย่างนั้นใช่ไหม เ, เราควรจะเอาสิ่งที่ดีวาจาที่ดีการกระทาที่ดีวาจาที่ดีความคิดที่ดีมาทดแทนพระคุณของพอ่อของแม่เป็นจริงจะถูกนะสิ่งที่มันไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเอามาให้พอ่อแม่หนักใจอีกต่างหากไม่น่าจะถูกต้อง อตอเนื่องไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในที่นี่ได้